ถามอยากเป็นคนดีแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเลวทุกทีที่อดอิจฉาคนอื่นไม่ได้ขอวิธีลดความอิจฉาตาร้อนคอยจ้องรุสยาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทีครับถ้าทุกคนมียานอย่างรู้สามารถทราบได้ถึงเหตุที่ใครต่อใครได้ดีหรือตกยากน่าเกลียดหรือหล่อสวยรวยหรือจนโชคดีบ่อย หรือโชคร้ายถี่โลกนี้คงมีการอิดชาริษยาน้อยลงมากครับเพราะใจจะเหลือแต่อุเบกขาอันเกิดจากความเห็นตามจริงว่าใครทำอย่างไรการกระทาของเขาก็ส่งให้มาสวยผลตามนั้นกิเลสมนุษย์ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีเห็นอยู่ชัดๆว่าเพราะเขาขยันเขาทุ่มเทเขาทำงานเขาต่อสู้อุปสรรคจึงประสบความสาเร็จสอบได้ที่หนึ่ง หรือทำงานได้ตําแหน่งใหญ่โตเห็นเหตุเห็นผลชัดๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่วายอิจฉาตาร้อนจะป่วยกล่าวไปยัยถึงคนที่รู้สึกว่าด้อยกว่าคุณทั้งขี้เกียจทั้งเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทั้งหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่กลับได้ดีกว่าทุกด้านหน้าก็ไม่หล่อเมียก็สวยบ้านก็รวยแน่นอนคุณต้องคิดว่านี่มันอะไรกันทาไมโลกช่างหาความยุติธรรมไม่ได้เอาเลย เมื่อยังไม่อาจมีญาณอย่างทราบเรื่องกรรมวิบากข้ามภพข้ามชาติก็ต้องใช้วิธีตรงไปตรงมาครับนั่นคือให้เพ่งโทษเพ่งพิจารณาถึงแง่ลบของความอิจชาริสยาเช่นหนึ่งดูจิตขณะอิจชาคือดูเข้ามาตรงๆให้เห็นสภาพจิตใจตนเองขณะอิจชาริสยาถามตัวเองว่า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 กำลังกระวนกระวายจะเป็นชั่วขณะของการเกิดสติคือมีความระลึกรู้ได้ว่าขณะนี้จิตกำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่แม้ว่าในความมีสติรู้เห็นเช่นนั้นความคิดริษยายังไม่หยุดตัวลงแต่ยังน้อยก็มีความชะงักงันชั่วขณะชะงักที่ได้รู้ว่าผลของความคิดริษยาคือร้อนอึดอัดกระวนกระวาย ตลอดจนเกิดแรงดันอยากทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งคลายเป็นผู้ร้ายไม่ใช่พระเอกไม่ว่าคุณจะเห็นความร้อนความอึดอัดหรือความกระวนกระวายคุณจะเกิดปัญญาขึ้นมาทีละนิดทุกครั้งว่าสภาพนั้นนั้นไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของน่ายึดการที่จิตรู้สึกอยู่บ่อ ย, อยว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่น่าเอาในที่สุดจิตจะเริ่มฉลาดเอง ปล่อยวางความยึดสิ่งนั้นไปเองผลลัพธ์ในระยะยาวนะครับเมื่อใดคุณอิจฉาริษยาเกิดความเร่าร้อนในอกในใจขึ้นมาจิตจะไม่โจรทยานออกไปให้ความร่วมมือกับตัวอิจฉาจะไม่เพ่งจ้องบุคคลอันเป็นที่ตั้งของความอิจฉาแบบไม่ถอนสายตาทว่าจะเห็นความเปล่าประโยชน์ของสภาพจิตใจตัวเองฉุกคิดว่าจะร้อนเปล่าไปทาไม อึดอัดเปล่าไปทาไมกระวนกระวายเปล่าไปทาไมชั่ววูบแห่งความระลึกได้เช่นนั้นคุณจะเห็นความอิดชาริษยาดับไปยิ่งเห็นวูบแห่งความดับได้ชัดเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งโปร่งสบายขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของจิตเขาชอบความสบายในที่สุดเขาจะเลิกหาเรื่องอึดอัดใส่ตัวพูดง่ายๆคือหยุดหาเหาใสหัวเสียที ย้ำว่าห้ามไปพยายามเบรกตัวเองนะครับเมื่อรู้ตัวว่าเกิดความอิดชาอย่าไปสู้กับมันตามดูตามรู้เฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็พอว่าในอกในใจมันร้อนอึดอัดหรือกระวนกระวายเพียงใดการเห็นความไม่เที่ยงของอาการทางใจจะทำให้คุณว่างหายสบายอกขึ้นได้เองสอง เพ่งโทษความอิดชาคือพิจารณาให้เห็นโทษของความอิดชาริษยากล่าวคือสะกดรอยตามว่าความอิดช้าแตกแขนงออกเป็นนิสัยเสียอื่นๆได้แค่ไหนอย่างเช่นคนที่สนุกกับการยุยงให้คนอื่นตีกันเพียงเพราะทนไม่ได้ที่เห็นคนดีมีความสามารถเขาร่วมมือร่วมใจทำกิจอันเป็นมหากุศลการยุให้คนเขาตีกันหรือแตกคอกัน เพียงเพื่อจะได้สะใจไม่มีใครดีกว่าตัวเองผลคือจะไม่ได้อยู่เป็นสุขต้องทะเลาะเบาแว่งต้องตีกับคนใกล้ตัวไม่เลิกราผมเคยรู้จักผัวเมียคู่หนึ่งสองคนเนี้ยนิสัยอย่างอื่นต่างกันหมดเหมือนอยู่อย่างเดียวคือชอบยุให้ชาวบ้านเขาผิดใจกันตั้งคำถามเพื่อเอาคำตอบจากคนหนึ่งแล้วใส่สีตีไข่คาตอบนั้น เพื่อเอาไปกระแทกหูอีกฝ่ายให้เกิดความเจ็บใจผลที่เกิดขึ้นจับจิตของผัวเมียคู่นี้โดยตรงคือคุยกันไม่รู้เรื่องฝ่ายหนึ่งพยายามพูดอธิบายไปทางอีกฝ่ายกลับเข้าใจไปอีกทางและนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆไม่สมเหตุสมผลขึ้นเรื่อยๆความรุ่มร้อนอันเกิดจากความไม่เข้าใจกันพูดจา ก, กันไม่รู้เรื่องระหว่างคนในบ้านนั้น ถ้าใครเคยมีประสบการณ์คงเข้าใจนะครับว่าเป็นทุก์ใหญ่หลวงเพียงใดเปิดประตูเข้าบ้านเหมือนเปิดประตูเอาตัวเข้าเตาอบดีๆนี่เองเรื่องของเรื่องคือผัวเมียคู่นี้เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่เริ่มตอนแรกเห็นข้อดีบางอย่างเช่นชอบธรรมะเหมือนกันก็น่าจะไปกันได้อยู่ดีมีสุขร่วมกันได้ทว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานขึ้นเท่าไหร่ ความแตกต่างก็ยิ่งฉีกสองคนห่างจากกันมากขึ้นเท่านั้นทำอะไรก็เหมือนผิดไปหมดโง่ไปหมดคราวนี้พอเห็นคนอื่นเขาอยู่ร่วมกันดีๆมีความรองดองก็เกิดความอิจฉาริษยาพอปล่อยให้อานาจความอิจฉาริษยาเข้าครอบงำจิตใจเต็มที่ก็เกิดแรงขับดันอยากยุให้รําตมให้รั่วเห็นเขาแตกคอกันแล้วมีความสุข ผลกรรมที่เห็นทันตาของการยุโยงที่สำเร็จคือใจเพ่งโทษกันและกันหนักขึ้นหลายเท่าที่สำคัญคือได้ชื่อว่า ก, กาอกรรมผูกมัดตัวเข้ากับเส้นทางเดิมเมื่อเกิดชาติหน้าผัวเมียคู่นี้ก็ต้องเจอกันอีกและถูกกรรมเก่าดลใจให้มาผูกติดกันอีกเพื่อทะเลาะเบาแวงกันเพื่อความเข้ากันไม่ได้และงุนงงว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างนั้น ความอิจฉาริษยาเป็นรากของการมีศัตรูไม่ใช่มีมิตรเป็นรากแห่งการทำลายไม่ใช่สร้างสรรเป็นรากของความเดือดร้อนรำคาญจิตไม่ใช่ความเยือกเย็นสบายใจเป็นรากของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขพิจารณาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะเลิกตามใจตัวเองพออิจฉาริษยาขึ้นมาเมื่อไหร่จิตจะไม่พลอยเอออวยเข้าร่วมพวกด้วยอีกต่อไปครับ